104. การปฏิบัติเข้าป่าบําเพ็ญกันนั้นจึงมิฉาทิฏฐิแท้ห6ปีที่พระองค์ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านั้นล้วนทางผิดทั้งนั้นยังไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเลยยังไม่มีสมัมมามัติที่ออกป่านั่งสมาธิและบําเพ็ญหลงให้เป็นภาวนา การทำให้จิตเกิดผลต่างๆสารพัดที่พากันทำในป่านั้นไม่ใช่ภาวนาการทำให้เกิดที่จะได้ผลเป็นพุทธธรรมเลยถ้าไม่ใช่การปฏิบัติมรรคเกตองอย่างสัมมาทิฏฐิเพราะเอาแต่หลับหลบเข้าไปอยู่ภายในไม่สำ ม, มาทิฏฐิโดยมีกายเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ ยิ่งยุคนี้ยิ่งมีพิศดาลทำอะไรไปนอกฤีตินอกรอยเลอเธอแล้วหลงว่าเก่งกาสามารถยิ่งเป็นพระกรรมฐานพระทุรลงอะไราแสนเก่งแสนขลังมีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ล้วนเรื่องลึกลับไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย นับถือบูชากันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองล้วนเดรัจฉานวิชาล้วนศยลศาสตร์เป็นเดรัรถีกันส่งเสริมกันทั้งชนชั้นล่างกลางบนทั้งสื่อสารมวลชนโฆษณาชวนเชื่อกันเห็นแก่เงินแก่ลาบยศก็หน้าสังเวชใจน่าสงสารศาสนาเป็นอย่างยิ่งจริงๆ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าที่พระองค์ไปเสียเวลาอยู่ในป่าหกปีนั้นมันไม่ใช่ทางถูกมันเป็นทางผิดท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยทางนั้นนั่นเป็นเพียงพระองค์ต้องออกไปใช้นี่วิบากของพระองค์ที่ได้ละเมิดจาบจ้วงล่วงเกินพระพุทธเจ้าองค์ที่มีพระนามว่ากัสปะ ในปางที่พระองค์เกิดเป็นโชติปาละในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ392พระองค์ทรงเล่าถึงอดีตประวัติของพระองค์ว่าเราชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสปะในการนั้นว่าจะมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหน โพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราได้ประพฤติกรรมที่ทำได้ยากมากทุกกรกิรยาที่ตำบนอุรุเวลาเสนานิคมตลอดเวลาหปีแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณแต่เราก็ไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้ เราอันบุพกรรมตากเตือนแล้วเึงสแสวงหาโพธิญาณโดยทางผิดก็ชัดเจนที่สุดแล้วว่าการปฏิบัติโดยหนีเข้าป่าไปบำเพ็ญออกนอกรีตไม่ใช่ทางประพฤติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรหรือในพระสูตรอื่นๆอีกมาก อุบาลีสูตรพระไตรปิโลกเล่ม24ข้อ99เป็นต้นที่มีนัยสำคัญว่ า, าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่าศาสนาหลงออกไปยึดป่าติดป่าใช้ป่าเป็นที่บำเพ็ญประพฤติธรรมเป็นหลักจะไปปฏิบัติในป่าก็ได้ถ้าสมเหมาะสมควร คือมีสัมมาธิฏฐิจริงๆและต้องมีสัมมาสมาธิเพียงพอด้วยไม่เช่นนั้นลมละลายไม่จมล่มสังสีทติก็เผอเผล อ, อลอยๆอยอุ ป, ปิลวะติดังที่ศาสนาพุทธยุคปัจจุบันนี้ประสบอยู่เป็นอยู่ขณะ น, นี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนยิ่ง ในอุบาลรสูตรที่ว่าดูกระอุบาลรีเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากยากที่จะพิรมในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิสัมมาสมาธิไปเสีย ดูกระอุมารีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจากซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจากจมลงสังสีทิสติหรือจากฟุง้งซ่านอุปบ ป, ปิลวิสติ แต่ก็พูดยากเสียแล้วยุคนี้เพราะได้หลงติดและหลงผิดกันทั้งคนผู้ประพฤติอยู่ในป่าทั้งคนที่ประพฤติกันในบ้านต่างก็ยังพากันหลงว่าการปฏิบัติธรรมที่จะมีมรรคผลของพุทธต้องพากันปฏิบัติอย่างพระป่าปฏิบัติกันนี่แหละของแท้ มันได้มิจฉาทิฏฐิกันหนักแล้วเป็นทิศถูกปาทานแน่แท้จริงๆจึงยากมากๆที่จะทำให้กลับมามีความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิได้แต่อย่างไรอย่างไรก็ตามอาตมาก็จะอุตสาหะพยายามให้คนทำสัมมาทิฏฐินี้ให้เกิดให้ได้อาตมาทำมา45ปีแล้วก็ได้มาบ้างแล้ว